ตอนภาวนาจะมีแบบความโลภโลภเข้ามาเจืออยู่บ่อยๆค่ะแล้วสังเกตดูว่าชอบมาตามความคิดคือพอเราคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นะถ้าเราดูไม่ทันนะ่ะเราก็เหมือนทําเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งตลอดเวลาเหตุที่เห็นฝึกไปเบื้องหลังการกระทาเราไม่ใช่มีเหตุเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มี ส่วนใหญ่เหตุมันก็เหตุอกุศลหลักดันดีที่เห็นฝึกไปช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็จะสวดมนไปเรื่อยๆค่ะหว่สวดให้ดูซิตรงนี้ใช้ได้ สวต่อไปหลงเนี่ยสวดแล้วก็รู้อย่างนี้นะรู้ตัวก็รู้หลงไปก็รู้ยังทำสมาธิลึกๆไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อไม่จาเป็นสมาธิดีขึ้นแล้วรู้สึกไหม แค่สวมดมนต์เท่านั้นสวดยาวๆไม่ชอบชอบสั้นๆก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธธรรมโมสังโฆอะไรางเงี้ยพุทธังสระนังกัจฉามิอะไรก็ได้แต่งเอาเองก็ได้บริกรรมไปเรื่อยๆใจมีกำลังขึ้นมาใจมันหนีไปล้วคอยรู้เอาเอา แน่นไปหมดแล้วกรรมเมื่อวานหลวงพ่อให้ไปดูดูจิตที่ไหลไปคีดอะคะ่ะเห็นไหมเห็นค่ะก็พยายามไปดูระหว่างวันนะดูบ่อยๆนะดีหมดแล้วไม่มีคนส่งันบ้าน ไ, ได้เลิกได้แล้ว อ่อค่ะทีกคนยังไม่มาใครจำเป็นขอที่จำเป็นจริงๆนะหลวงพ่อไม่ค่อยมีเสียงครอย่าโจมนะชอบนิมนต์อกาให้ลวงพ่ออยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีนะร้อยยี่สิบมันไม่มาแก่กับเราเนีกว่ามันไม่มาเจ็บกับเรา แก่เป็นทุกข์นะเจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ขันเป็นทุกข์เราค่อยๆฝึกเจ็ดกับขันมันแยกกันขันทุกข์นะกายทุกข์เนี่ยจ็ดมันง่ายแล้เฉยๆว่ามาค่ะเวลลูกเห็นกิเลสแล้วลูกก็จะมันจะกลับมาหายใจอย่างนี้ค่ะลูก อยากทราบว่าลูกรู้สึกตัวเป็นถูกต้องหรื อ, อยังคะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วละเมื่ <Okay. S 1> อนฟุ้งมากนะ <Okay. S 1> ช่างคิดฟุ้สซ้าน <Okay. S 1> ตอนนี้หายใจไปเรารู้สึกตัวไว้ ใ, ใจมันหนีเรารู้ใจมันหนีเรารู้ไปอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เพ่งเอาไว้แล้ว <Okay. S 1> จะแน่นแน่นรู้ว่นเป็นธรรมชาติ รู้แบบอึดัดไม่เอารู้แบบอึดัดเพราะโลกอยากปฏิบัติอยากดีมีเพ่งแล้วอึดัดขึ้นา ม, มานะรู้แบบสบายๆหลงไปคิดแล้วก็รู้เอานะรู้ลมไป <Okay. S 1> แล้วก็พอจิตมันหนีไปก็รู้เอา ยู่ที่ไหนยกมือยกมือกราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านในรอบหลายปีค่ะใช่ได้นะ<ค>เอาวลับมาคือตอนนี้ตื่นเต้นคือรู้สึกว่ารอบหลายปีมา น, นี้จิตใจเปลี่ยนไปอะค่ะถูกแล้วค่ะภาวนา้เห็นความเปลี่ยนแปลง น, นะมันเปลี่ยนในทางที่จเจริญขึ้น ศีลจะสะอ า, ห, าหมดจดง่ายขึ้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้เยอะขึ้นเห็นธาตุเห็นขันทำงานได้เยอะขึ้นเห็นอย่างนั้นแล้วดีสะสมไปค่ะก็ะคือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าโลภเนะอย่างโลภอยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะยกมือไว้ หนุ่มฝรั่งเศสเนีย่ยใจรอยกาบนมรสการหลวงพ่อค่ะเคยส่งการบ้านครั้งแรกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอหลวงพ่อบอกว่าเ อ, อจิตนิ่งไปค่ะติดขึมค่ะอืมอ อ, อยากมาทราบว่าตอนนี้ยังติดลึมอยู่ไหมคะแล้ว ร, รู้ตัวไหมรู้ค่ะ ร, รู้แล้วมาถามทําไม <laughs> <ม>รู้ว่าจิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะยืนยืนชนรู้ด้วยตัวเองสังเกตตัวเองไปพอจิตมันเคลื่อนไหวได้จิตไม่ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างค่ะเหมจิตขรึมก็ซื้อบื้ออยู่กันหละ <c oughs> อย่างนี้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ดีเราก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายปัญญามันก็เกิดทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิด ร้ น, นได้ดับทั้งสิ้น่ะเห็นค่ะดีฝึกไปค่ะสิ่งที่ทำอยู่ก็คือตอนนี้ปฏิบัติดีขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นไหมคะเอาอะไรก็ดีไม่ได้ฝึกเอาดีแล้ค่ะฝึกรู้ทันกิเลสตัวเองไปนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะพัฒนาถ้ามุ่งเอาดีนะพัฒนายากนโลกค่ะ ภาวนาแล้วคอยรู้ทันกิเลสแม่จะดีเร็วค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วมีใครจะถามอีกบ้างเอาส่งไหม่มาส่งไหม่มาเอาลุงก่อนละน้าฟัง หลวงพ่อครับก็บผมมีมีจะทานหลวงพ่อนิดเดียววันนี้ครับแต่ว่าอยากจะขอความขออนุญาตหลวงพ่อได้อยากจะเล่าประสบการณ์เล่ า, าลไปเลยเนี่ยยกให้คนเดียววันนี้คือเรื่องจเจริญอาณาป่าจนถึงบัดเนี้ยนะฮะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะครับ คืออยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ได้ประสบมาจากที่การเจริญอาณาปานสตินะฮะคือตัวผมมาเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็แต่ก่อนนี้ก็ไม่ไม่รู้จักละ ว, ว่าการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรแต่ก็พอตอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ สมัยนั้นก็มีเขามีกลุ่มพุทธนะฮะกลุ่มพุทธแล้วก็ผมก็ไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกเขาแล้วก็สมัยนั้นก็มีท่านอาจารย์ดงัดงๆอย่างท่านอาจารย์พุทธธาตอาจารย์อาจารย์ปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีท่านเสถียรโพธินันทะนะก็ได้มาแสดงมาแสดง าถามที่นั่นฮนะก็ไม่รู้เป็นไงพอฟังเขาแล้วก็ฟังรู้เรื่องมัง่งไม่รู้เรื่องมั่งก็แต่มันก็ชอบฟังนะว่าทีนี้พอหลังจากที่หลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็ได้มามาบวชที่วัดเทพนะในสมัยนั้นท่านเจ้าคุณนอรท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ ประวชกับท่านเนี่ยเมื่อตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สนใจไม่รู้เป็นไม่รู้นเป็ น, ปนยังไงมันสนใจเรื่องการาทำอนาปานาสติเนี่ยมันสนใจมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปหาอาจารย์ที่ไหนก็ได้ต่สมัยนั้นก็นึกจะทำอะไรก็เข้าห้องสมุดนะครับเข้าห้องสมุดไปไปคนกวาแล้วก็ อ่านตำราเยอะแยะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องเลยพอรู้แต่ว่าอ๋อการทําอานาปานี่ยก็คงจะแมเข้าไปรู้ลมหายใจเฉยๆเขาไปตามลมหายใจเขาไปจี้ลมหายใจอะไรแบบนั้นเฉยๆอย่างนั้นนะคิดว่า น, นั่นเป็นการทําอานาปาแล้วแต่มันก็มันก็ไม่ได้ทําเอาจริงเอาจังอะไรพอมาบวชเนี่ย ได้เข้ามาก็ลองทดลองทำดูทดลองทำดูอีกทีทีน่นี้มันมันมีอยู่วันหนึ่งอะะพอทาไปทาไปแล้วใจมันเกิดมันมันเป็นสมาธิขึ้นมาได้เองคือทำแรกๆเนี่ยมันก็ใจมันก็ฟุ้งซ่านนะก็ได้ต่ดูลมเข้าดูลมออกอย่างเนี้ย พอมีอยู่วันหนึ่งใจมันเป็นสมาธิได้เองแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้มันมีผู้ดูขึ้นมาน่ะผู้ดูเนี่ยมันออกไปเหมือนกับมันออกไปไม่ได้อยู่ในตัวเนี้ยมันออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูไอ้ตัวเนี้ยกำลังน้ำทําให้ใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วมันก็รู้สึกรู้สึกว่ามันมันมีความสุขมากตอนนั้นอะ เสร็จแล้วก็มีวันหนึ่งก็ใจมันก็อยากสนใจในการปฏิบัติธรรมขึ้นมาก็เข้าไปกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณนอว่าก็ผมควรจะควรจะเอากรรมฐ า, านบทไหนดีนท่านเจ้าคุณนอท่านท่านตอบทันทีเลยฮะบอกว่าให้เอาอนาปะเถิมาถึงตอนนี้ก็ผมก็คิดว่า ท่านน่าจะเห็นน่าจะอ่านอ่านประวัติในอดีตของกระผมแล้วท่านถึงได้บอกให้เอาอนาปาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้กระผมก็จเจริญอ น, อนาปามาตลอดทีนี้ตอนทำตอนแรกๆเนี่ยมันมันก็ยังไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกลนะก็ได้จะไป จับตลมหายใจไว้ได้ไปเพ่งลมเพ่ง ต, ตัวลมแล้วก็มันก็ได้เป็นสมาธิแลฮะแต่มันเป็นสมาธิที่ที่แน่นๆหนักๆมันมันไม่สบายเ่ทีนี้พอพอในระหว่างนั้นพอสอนใกล้ๆจะสึกแล้วเนี่ยทางวัดได้ ได้เอาหนังสือธรรมะเนี่ยมากองเยอะๆเลยเขาจะเขาจะทิ้งอะ่ะผมก็ไปหยิบมาเล่นลง ม, มาอ่านดู<อ>ได้ไปเจอบทธรรมบทหนึ่งที่พระองค์นั้นท่านเทศ ถ, ถึงอนาปายสบหก็เลยได้เพิ่งไปรู้จักอนาปายสบหตอนนั้นโอ้โหไม่นึกเลยว่าโอ้อนาปาก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอ แล้วก็ได้เอาอนนาณะมาถามท่านเจ้าคุณนองท่านเจ้าคุณนอท่านก็บอกว่ า, าในในอนาปาในในอนาปาสิบหกเนี่ยนะฮะจะมีพระพุทธเจ้าท่านจะจะจัดไว้เป็นสี่จตุ ก, กะจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมอะอย่างละสี่ก็เป็นสิบหกบททีนี้ท่านเจ้าคุณนอท่านบอกว่า แค่ทำแค่ทำบทที่หนึ่งเท่านั้นนะ่ะคือหมวดกายาเนี่ยพอทำมาแค่สี่บทธนะจิตก็ถึงฌานแล้วใจก็เลยนึกว่าเอ๊ะละชาตินี้เราจะทำได้เดี๋ยวนี้จิตถึงฌานก็ก็ไปลองทำดูมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมีอีกวันก็ผมก็ไปถามท่านอีกบอกว่าเอ๊ะ แล้วเนี่ยในอนาปาสิหกเนี่ยแล้วจะขึ้นวิปัสสนาตรงไหนอะท่านก็บอกว่าอ๋อไปขึ้นตอนบทที่บทที่สบสามบทที่13บสาที่ว่าอนิจจานุปัสสีอัจฉรสสามิติสิกิติไปขึ้นตรงนั้นก็เลยยิ่งงงใหญ่แล้วเราจะทำยังไงอะ แต่ว่าชอบกรรมาฐานบทนี้มากก็ได้ขออนุญาตขออนุญาตที่ทางพระที่วัดนะเอาอันเนี้ยไปไปถ่ายสำเนาเก็บเอาไว้เสร็จแล้วพอจากนั้นก็พอสึกออกมาแล้วเนี่ยก็ผมก็ทิ้งชีวิตทิ้งหมายความว่าได้ไปทำงานที่อเมริกาฮะก็เลยเรียกว่า ไม่ได้ปฏิบัติเลยหลงโลกไปสักอีกยี่สิบปีพออายุสี่สิบปดนี้กลับม า, มากลับมาเมืองไทยที่งได้มามาปฏิบัติต่อก็ตอนนั้นก็ได้มาเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ ไม่ค่อยได้สอนอนาปานสติเท่าไหร่แต่ท่านบอกกับผมอย่างหนึ่งว่ากับผมเป็นนิจกจริตเนี่ยทำอนาปาก็ดีเหมือนกันแล้วท่านบอกว่าให้ไปทำให้ให้ไปทาให้รวมหายใจขาดเลยนะแล้วเราจะรู้อะไรดีๆ ก็ผมปฏิบัติกับท่านมาหกปีแต่พอตอนเริ่มแรกเนี่ยก็คิดว่าขราวนี้จะเอาจริงละก็เลยเริ่มมาปฏิบัติอนาปานสติอีกก็เข้าไปตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยฮะตามดูให้มันให้มันมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย แล้วก็แต่ตอนแรกๆเนี่ยนะฮะเวลาทำเนี่ยหลายๆท่านอาจจะอาจจะคิดว่าท่านจะท่านจะประสบเองอะว่าเอ๊ทำได้แป๊บเดียวทำไมจิตมันหนีไปไหนไม่รู้กับผมแรกๆทำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะแค่นั่งคาตมานเนี่ยสักยี่สิบนาทีเนี่ยเนบก็กินแล้ว แล้วเดี๋ยวก็มันก็ฟุ้งซ่านจิตหนีไปไหนไม่รู้แต่แต่ท่านอย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะพอทำไปทำไปเนี่ยสมาธิมันจะเล่มมันจะค่อยๆเริ่มมีเองแต่ว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านยังจะต้องใช้ความพยายามอยู่หมายความพยายามที่จะอันนี้มาคอย รู้ว่าอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกมันจะต้องพยายามอยู่อย่างเงี้ฮะมันเรียกว่ายัางยังยังมีการจงใจอ่ะทีนี้ถ้าทําไปทําไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะอพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่ามันมีผู้ทําเขาทำเขาเองละ ไม่ต้องจงใจจะทำแต่สมาธิก็มีแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้สติก็มีถึงจุดนี้นะะอันนี้แหละฌานฌานเกิดฌานที่หนึ่งเกิดที่ตรงนี้เองตรงที่ตรงที่ไม่ต้องพยายามทำข้างในเขาทำกับเองก็นี่ อ, อพอพบหลวงพ่อองค์เนี้ยได้เดือนแรกก็ได้ก็ ก, ก็ก็ได้ได้ความรู้สึกอันนี้คือได้ชั้นอันนี้ได้ชั้นที่หนึ่งทีนี้หลวงพ่อองค์นี้ท่านก็บอกว่าจากอันเนี้ยท่านบอกว่าให้ไปทําปิติให้เกิดข้าพเจก็มาลองทำเลยเอ๊ะทำยังไงทำงา น, งานไม่เห็นพิติมันจะเกิดตรงไหนเลยก็ ทำอยู่เดือนหนึ่งพอเดือนที่สองจากที่พักระหว่างที่กําลังทําทําอยู่แบบเดินเนี่ยแหละฮะโดยไม่ต้องไปไอ้ตอนนั้นมันไม่มีอยากจะได้ละมันไม่มีคิดแล้วว่าจะต้องทําให้ปิติให้เกิดอ ย, อยู่มันพิติมันก็เกิดเองเมื่อปิติมันเกิดเองเนี่ยเออจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีผู้ดูเกิดขึ้นนะ่ะ ตัวนี้ที่เรียวกว่าเอโกทิภาวะเนี่ฮะแล้วก็ผู้นี้แหละจะทิ้งลมหายใจเขาไม่เอาลมหายใจแล้วเขาจะไปเอาปิติแทนแล้วตัวผู้ดูนี่จะเด่นออกมาชัดมากก็จะเห็นจะเห็นปิติจะมีสติแล้วก็รู้ปิตินั้นอยู่ตลอดเวลา พอถึงจุดนี้ก็จากที่เราได้ได้เรียนปริยัติมาแล้วก็เลยรู้ว่าถึงจุดนี้แล้วนะถึงชั้นสองแล้วเพราะว่าปิติจะเด่นขึ้นมาทีนี้จจุดๆดีพอทําไปทําไปอีกเนี่ยก็ไม่ถึงเดือนนะฮะความที่เรารู้สึกว่าเอ๊ปิตินี่มันก็ยังมันก็ยังยังไงอะ่ะมันมันสู้ซ่ามันมันโฉงฉางอะ่ะ ก็รู้สึกว่าเอ๊ถ้าเผื่อว่าทําลมหายใจให้มันเบาลงไปอีกกว่านี้อีกเนี่ยปิติอันนี้มันก็ก็ก็ไปลองทําดูพอลองทําดูเนี่ยลมหายใจพอลมหายใจผ่อนลมหายใจค่อยๆเบาลงเนี่ยปิติอันนี้จะค่อยๆค่อยๆสลายไปค่อยๆค่อยๆแผ่วไปจนกระทั่งปิตินั้น หายไปและสิ่งที่มาแทนปิติก็คือตัวสุขสุขคเวทนาจะเกิดมาแทนนี้ซึ่งมันละเอียดละเอียดปราณีตกว่าปิติเพราะตอนนั้นก็พอเจอสุขอันเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะไม่ติดนะพอตอนแรกๆก็ไปติดไปติดสุขอันนี้อีกติดอยู่ติดอยู่สามสี่ปีได้ เสร็จแล้วก็จากนั้นก็ผมอยู่กับหลวงพ่อองค์นี้มาหกปีและท่านก็มรณภาพไปผมก็ยังทำให้ลมหายใจนั้นดับไม่ได้ก็ก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมท้าใจนะฮะก็ ก็ทาไปเรื่อยๆาเงี้ยทาอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆจนกระทั่ง อ, อีกสักห้าหปีต่อมาเนี่ยพอไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยพอทาไปทาไปเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันก็จากจากานที่สามในลมหายใจมันจะเบามากแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่ แล้วก็มันจะมีลมอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่ว่ามันไม่ใช่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแต่มันเป็นลมที่หยุดอยู่นิ่งๆเวลาที่เข้าถึงชาสามเนี่ยลมนี้จะจะนานมากขึ้นนะ่ะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะสั้นนิดเดียว ทีนี้ถ้าทําไปทําไปพอทําไปทําไปมันไม่อยู่วันหนึงไอ้ in ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันหายไปเลยทีนี้มันหายไปเลยเนี่ยทีนี้เราก็อ้าวมันหายไปเลยแล้วจะดูอะไรจากที่จากที่ไล่มาเนี่ยดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าเนี่ยพอถึงชั้นหนึ่งเนี่ยถึงชั้นหนึ่งดูอันนี้พอถึงชั้นสองไปดูปิติอิติเกิดไปดูปิติ พอถึงชาติสามสุกเกิดก็ไปดูสุกพอถึงชาติสี่เนี่ยตอนนี้มันมีแต่นิ่งๆมันมีแต่นิ่งๆพอตอนนั้นแล้วโเอ๊แล้วจะดูอะไรมันมีแต่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็เลยถอยกลับไปดูชาติสามอีกอย่างเงี้ยนี่ก็ ก็ได้ไปถามหลวงพ่อว่าไอ้นี่มันยังไม่เห็นอะไรมันยังเห็นกต่นิ่งๆเฉยๆหลวงพ่อก็บอกว่าจิตยังละเอียดไม่พอก็กลับมาทำอย่างนี้ต่อไปอีกฮะจนกระทัง่งมันจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งนะฮะเนี่ยเออ จากเดินที่ทำเนี่ยจิตมันจะไปไปอยู่กับอารมณ์นิ่งๆสงบสงบเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งพอเข้าชั้นที่สามไปแล้วก็เ้วก็เข้าไปดูนในลมหายใจที่มันเหลืออยู่น้อยนิดนะั่นนะฮะมันก็จะเห็นความสลายไปของไอไอลมหายใจอันเนี้ย ก็เห็นมันสลายไปเรื่อยๆก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยคงเป็นคงเป็นวิปัสนาละเป็นวิปัสนาญาณนะคือเห็นความดับไปของลมหายใจนี่ก็เอามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็นรับรองว่าอันนี้ใช่เป็นเป็นเห็นการการดับไปของลมหายใจนี่แต่ว่า เวลาเข้าชามสีเนี่ยอันนี้มันจะมันจะหายไปแต่ก็มันยังไม่เห็นว่าอะไรที่มันอะไรที่มันดบนี่มันก็มีอยู่วันหนึ่งเวลาที่นั่งดูๆไปเนี่ยดูๆข้างในเนี่ยมันไม่มีลมหายใจให้ดูแล้วมีอยู่วันนึงมัน มันเริ่มที่จะเห็นไอ้สภาวะที่กระเพื่อมไหวเนี่ยภายในเนี่ยภายข้างในแถวแถวแถตรงกลางๆตัวเนี่ยหินสภาวะนั้นน่ะมันจะค่อยๆค่อยๆดับไปเรื่อยๆค่อยๆดับค่อยๆหายไปหายไปหายไปหายไปซึ่งก็ไม่รู้มันเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันหายไปเรื่อยๆ ก็เอาอันนี้มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจิตมันทิ้งบัญญัติแล้วคืออันนี้ก็ก็เป็นวิปัสสนาที่ละเอียดแล้วก็ให้ทําอันนี้ต่อไปก็ทําไปเรืเ่อยๆแล้วก็ผนสุดท้ายเนี่ยที่มาถามหลวงพ่อว่า ก็ผมจะทำอะไรให้มันให้มันยิ่งไปกว่านี้อีกได้ไหมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าทำไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อตรงนี้ฮะว่าสภาวะที่กระเพิ่มไหวเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ย ก, กับผมคิดว่ามันเป็นสภาวะการทำงานของภพใช่หรือเปล่าครับคือตัวสังขารชั้นละเอียดนะคือตัวภพนั่นแหละก็เป็นภพที่ละเอียดครับเนะนี้ย เ, เฝ้ารูเฝ้าดูไปนะต่อไปมันจะถล่มลงไปได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเองเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันมันมันมันน่าเบืออ่อตรงนั้นนั่นแหละ จะเห็นว่าน้าเบื่อบางทีบางคนก็เห็นว่ามันทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เหมือนตัวนี้เลยครับเพราะว่าทั้งวันเราก็เห็นทั้งคืนเราก็เห็นครบะแต่ว่ามันจะไม่ทุกข์เยอะเพราะว่าพามันทุกข์เต็มที่จิตมันก็เข้าชา น, นะมันก็ไม่ทุกข์แล้ก็มาดูต่อะถ้าพวกที่ไม่เล่นชา น, นมาถึงตัวนี้มันทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลย เนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปแต่สังเกตดูที่จิตนะจิตจะมีโลภะอยู่ดูออกไหมยังไม่ค่อยออกครับเออไปดูไปครั บ, รบจิตจะมีโลภะว่าทําไงจะผ่านตรงนี้ไปสัทีใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับนั่นะมันยังโลโลภะมันยังมีอยู่นะนยังไม่เป็นกลางให้รู้ไปว่าไม่เป็นกลางว้วดูสภาวะไป ด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นก็เป็นกลางเนั้นสองตัวคีบดสองตัวนะ้ตั้งมั่นกะเป็นกลางถ้าเข้าถึงตัวนี้ไปถ้าไปสภาวะนีมันจะแสดงให้เราดูวัตฏะสังสารวัฏหมุนอยู่กลางอกนี่เองไอ้ น, นี่มันก็เป็น ก, ก็คือวัตฏะนั่นเองใช่ไหมถ้าบางทีมันทำงานกิเลสแรงขึ้นก็ปรุงวัตฏะ รูปภพที่หยาบขึ้นมาครับพอขิเลสเบาบางลงรูปภพที่ละเอียดขึ้นมาครับก็ยังเป็นพพอยู่มันมีลูกเล่นเยอะนะโอ้ยสนุกเราคุยเรื่องสองคนอะยเมัก็หูฉี่หมาแล้วกระเด็นกระลกเนี่ยก็ผมก็ผมกลัวเขากลัว คนอื่นเขาจำาไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยเขาไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อถึงบอกตั้งแต่แรกนะว่าเส้นทางเดินของลุงะไปอีกแบบหนึ่งเขาเดินสมาธิและปัญญาควบกันคือไปเจริญปัญญาในฌานในขณะที่พวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่ได้เพราะฉะนั้นเข้าฌานไม่เป็นเนเจริญปัญญาไปก่อนแล้วฌานเกิดทีหลัง ถึงยังไงก็เกิดบางคนตอนที่ฌานเกิดทีแรกก็คือตอนที่เกิดอริยมรรคเลยคร่างแรกเลยมาเล่นไปสนุกดี <c oughs> มันมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเดี๋ยตอนนี้มันก็มันก็เริ่มจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ละหานะแบบนี้นนไป <c oughs> หลวงพ่อตอนเจอตัวนี้น้ําตาแทบตกในเลยทุกทุกนะวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธไปถามท่านทําไงเนี่ยที่วัดปา่าสารวัตรกาลังมีงานวันบูรพาจารย์อยู่หลวงพ่อพุธจะต้องขึ้นไปเทศะพระก็มาตามเลยทั้งบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนต้องแก้กรรมฐ า, ามนอันนี้ก่อนเนี่ยเรเห็นแล้วมันทุกข์มาก ท่านก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่ยิบยับยิบยับนิดเดียวเองใช่ใช่ครับ ใ, ใช่เสิเนาะ <c oughs> มัเหลืออยู่นิดเดียวแหละนะแต่มันมันก็ไม่ไปสักทีไม่ไปสักทีตัวเนี้ยมันเป็นกุ ก, กุจักลำคาญใจเมื่ อ, อไหร่มันจะไปสักทีครับมันมีโลภะอยากให้ไปสักทีเนี่ยกิเลสละเอียดแฝงอยู่ตรงนี้ แล้วก็ดูต่อไปหลวงพ่อพุธนะแก้ให้หลวงพ่ออยู่ชั่วโมงนึงไม่แก้ไม่ตกเพราะมันทุกข์อ่ะถ้าจะบอกว่ามันธรรมดาก็เราบอกมันทุกข์อ่ะเขียนจดหมายไปถามหลวงตามหาบัวท่านก็เขียนตอบมาบอกเราเพิ่งไปทําตามาเอาหนังสือไปอ่านเองให้มาเล่มละล่มเลยต้องทำเตรียมพร้อม <c oughs> เราเห็นหนังสือก็ท้อใจแล้วเล่มใหญ่ ไม่รู้จะทำไงนะหนังสือตักงบนโต๊ะลงกราบคิดถึงครูบาอาจารย์หยิบหนังสือมาเปิดโห้หน้านั้นเลยน้านั้นบอกว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเราเออรู้รอยู่แล้วล่ะแต่มันทุกข์นะทุกข์นะไม่รู้จะทำไงจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งไปยืนรอรถเม์ นึกขึ้นได้เราทิ้งสมถาไปนานแล้วหลวง่ากลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองนับไปยี่บแปดทีนะจิตรวมพึ่บลงไปนะจิตมันถอนขึ้นมาเห็นได้ตัวนี้ยังไหวอยู่แต่ใจเนี่ยจิตใจมันเหมือนอยู่ในช่วงลองวิเกนเลย <c oughs> มันมีความสุขนะ <c oughs> เห็นได้ตัวนี้ทุกข์นะแต่เราไม่ทุกข์กับมันนอนั่นแหละเล่นไปเล่นจนมันพออะไร ตอนที่เห็นไอ้สภาวะดับไปเนี่ยนะครับมันมันดูสภาวะ น, น, นั้นแล้วเนี่ยมันมันน่ากลัวมากแต่ใ จ, ใจมันทำํำไมถึงเป็นสุขก็ไม่รู้นั่นแหละใจมันเป็นสุขเพราะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแต่สภาวานะนั้นมันมีแต่ความหมดไปสิ้นไปครับนะความทนอยู่ไม่ได้ความถูกบีบคั้นนั่นแหละเป็นญาณทั้งหลายแล้วแล้วอีกอันหนึ่งนะหลวงพ่อคือคือตอนนี้ ทราบว่าอ๋ออาลมมิปัสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรอื่นแล้วครับนอกจากความดับไปความสิ้นไปแค่นั้นเองมันไม่สําคัญว่าอะไรสิ้นไปหรือสําคัญที่ก็เอาที่อารมณ์ดับไปนะสิ้นไปตรงนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าพังขยานพังขยานนะจะกําหนดเห็นแต่ความดับไปสิ้นไปครับตรงอุทยพยยญญาเราเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาละเอียดขึ้นมาแต่นนี้มันไม่เอาเราตรงที่เกิดนะมันเห็นดับ ตรนี้เรียกว่าเป็นพังขยับก็ต้องดูไปด้วยใจที่เป็นกลางนะะลั ว, วจุดนี้มันยังไม่ถึงสังขารุเบกยานใช่ไหมครับยังก็งงดูซีใจสิเห็นไหมยังดิ้นอยู่ยังอยากยังอยากอยู่รตรงสังขารุเบกขาเนะี่ยใจเป็นกลางแล้วไปรู้ทันตรงที่ใจยังมีโลภะอยู่แล้วก็เจือด้วยกุกขจกัก ที่อยากจะให้มันพ้นไปจากไอ้สภาว์มีใช่ไหมใช่แล้วก็หงุดหงิดว่าเมื่อไหร่จะพ้นสักทีขอบตัวนั้นชื่อกุกกขจักขอบความรำคาญใจดีภาวนาที่หลวงพ่อให้พูดนะเพื่อเขาจะได้อัดเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าคนซึ่งจริตนิสัยแบบนี้มาฟังเขาจะได้ประโยชน์ขอบแต่คนพวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอกคือ ก็ผมก็ตัดสินใจที่จะขออนุญาตหลวงพ่อพูดวันนี้ก็เพราะว่า ม, มันอาจจะมีบ้างแม่ไม่มากนะฮะที่ที่เขาทำมาเหมือนกับผมเ น, เนี่ยครับจะได้เป็นประโยชน์หลวงพ่อก็เริ่มต้นด้วยอานาปานสติครับแล้วทีแรกก็จ้องลมหายใจที่คุณว่าครับตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นสมาพอเราพัฒนาขึ้นนะมันมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้านะมันไม่ได้จ้องที่ลมหายใจใช่มันรู้ทันที่สติมั น, ม, นมันออกมาเองครับเออพวกเราลองบริกรรมหายใจใช่หายใจไปด้วยแนละ้วบริกรรมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าตรงคำบริกรรมนะกัากการหายใจเนะี่ยเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่บริกรรมอยู่ต่างหากรู้สึกไหมไม่เหมือนไม่เหมือนการที่จ้องอยู่ที่ลมนะลองไปเล่นสิสนุกอาานาปนสติเนะี่ยเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่กว้างกวางที่สุดเลยทาสมถาก็ได้ทำมิปัสสนาก็ได้นะใช้ทาสมาธิแล้วออกมาเดินปัญญาข้างนอกก็ได้ ใช้เดินปัญญาอยู่ข้างในเลยก็ได้ใช้ทํากระสินก็ได้ครับทําฤทธ์ก็ได้นั่นแหละเล่นทางฤทธิ์มันออไปทางกสินนะเพราะตัวลมเนี่ยเล่นกสินตั้งหลายตัวอันแรกกสินลมที่สองกสินช่องว่างใช่ไหมช่องว่างหลูจมูกเ<อ>นะี่ยครับะกสินแสงมันกลายเป็นแสง<อ>เล่นได้หลายตัวพอเล่นชํานาญตัวหนึ่งนะตัวอื่นก็เนื่องกันหมดนะอะ ตันไปเป็นเรื่องของอิทธิบิธีใช้กสินตัวนี้ต่อกับตัวนี้ต่อกับตัวนี้จะเกิดฝนอย่างนี้เขจะจะคุยอะไรคน็ื่นเขาไปเล่นเสียเวลาเอา้ารัตการหลวงพ่อครับที่ผมภาวนาอยู่ตอนนี้ถูกทางไหมครับดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้เพ่งอยู่บังคับจิตอยู่ รู้สึกไหมครับรู้สึกสแน่นๆทื่อๆเราไปทำจิตไว้เงี้ยนะใช่ครับให้รู้ทันแล้วปล่อยมันก่ อ, อการบ้านกับหลวงพอ่อนี่นแหละให้รู้ทันมันเอาคนอยู่วัดคนสุดท้ายเอาเท่านี้ไม่เอางั้นวันนี้เท่านี้นะ